นโมตัสสะพะกวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะกวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธ <The> ัสสะนาโมตัสสะะกวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังก <The> ัจฉามิสัง <The> ขังสรนังคัจฉามิภูติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ โทติยมปิธรรมมังสรนังขจามิโทติยมปิสังขังสรนังขจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิธรรมมังสรนังขจามิตติยมปิสังขังสรนังขจามิติสรณัมะนังนิติตัง ปนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทหังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทหังสมาธิยามิอุสวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ตุรเมรยมัจฉปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอยากโยมขันใดสมาทานชินหาปก็หยุดพักไว้ก่อนนะวิกาลโพชนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อัตติขีตวาติตวิสุกขทัศนามาลาขันธวิเลปนาธารณะมณณาวิภูชนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจะาสยนมหาสยนนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัทถังรัชมณกตัง พุทธบัญญัติทางอิมันจะเติงอิมันจะติวสังสัมมาเทวาอภีรษิตุงสัมมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งองค์อุโบสถสิบแปด ท, ที่พระพุทธเจ้าท่านในทรงบัญญัติเอาไว้ เพื่อจะรักษาเอาไว้ให้ดีมิให้ขาดตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งณเวลาวันนี้เป็นต้นไปอิมานิอัตถจิขาปทานิอุปโสถะสิลวะเสนสาตุกลงกตวะอปมาเทนรกิตตพานิชีเลนสุขติงยติชีเลนโภภะสัมปทา สีเลนน์ิปพุติงยันติตัตสมาสิลังวิโสทาย